สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของหลวงปู่พรมมาประภาการโหนะคะซึ่งท่านก็ได้ไปเผชิญหน้ากันกับเปรตสาวในป่าช้าบ้านปากข่าหลวงปู่พรมมาประภาการโหค่ะท่านเป็นหลานชายแท้ๆของสมเด็จลุนผู้เลื่องลือในปฏิปทาและก็จิตตาหนุภาพน่าอัศจรรย์บรรลุริษ .APINYA ญญและชานสมาบัติชั้นสูงสุดเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมสายของชาวลาวตั้งแต่ระดับล่างจนถึงเจ้านายระดับสูงสุดของประเทศค่ะ ตามประวัติได้บันทึกไว้นะคะว่าเมื่อท่านอายุ13ปีโยมบิดาของท่านนะคะก็ที่เป็นน้องชายแท้ๆของสมเด็จลุนได้พาไปพบกับสมเด็จลุนผู้เป็นหลวงลุงที่นครจำปาสักประเทศลาวสมเด็จลุนท่านได้บวทเนนให้นะคะจากนั้นท่านก็ได้ให้สัมมเนรหลานชายศึกษาหนังสือจนรอบรู้แล้วก็แตกฉานพร้อมกันนั้นนะคะผู้เป็นลุงก็ได้ให้ฝึกวิปัสสนากรรมฐานอย่างเข้มงวดอีกทั้งยังถ่ายท ทอดวิชาศยศาสตร์ให้ทุกแขนงควบคู่กันไปกับการปฏิบัติจิตบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อหาทางให้หลุดพ้นจากความทุกข์ค่ะ จนกระทั่งอายุครบบวชนะคะจึงกราบนมัส ก, การลาหลวงลุงเดินทางกลับมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่แผ่นดินแห่งมาตุภูมิและเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดจกักรวรดดิราชาวาดกรุงเทพมหานครโดยมีพระยาพ่อหนพ่อหนยุหะเสนาหัวหน้าคณะผู้ก่อการ14มิถุนายน2475หลวงพิบูลสงครามหรือจอมพลปอพิบูลสงครามค่ะหลวงพรหมโยธีประวารณาขอเป็นเจ้าภาพการอุปสมบท หลวงปู่พรมมานะคะท่านได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดจักรวัตรดิราชาวาดได้หนึ่งพรรษาเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม บางเอินเวลานั้นนะคะเจ้าอาวาสวัดประดูได้มรณภาพลงกระทันหันทางคณะสงฆ์วัดประดูเห็นพ้องต้องกันว่าหลวงปู่พรหมานี่แหละแม้ท่านจะเป็นพระพันษาน้อยแต่ว่าท่านก็มีความรู้ที่แตกฉานทั้งทางปริยัตและปฏิบัติจึงขอนิมนท่านไปรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดประดู่ชั่วคราวประกอบกับเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาดนะคะให้การสนับสนุนท่านจึงจําเป็นต้องรับนิมน์ไปรักษาการในตําแหน่งเจ้าอาวาสเป็นการชั่วคราว เมื่อมีการแต่งตั้งจเจ้าอาวาสวัดประดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านก็ได้ย้ายมาพำนักที่วัดคลองบางกอกน้อยเพื่อเตรียมตัวออกท่องเที่ยวทุดงกรรมาฐานจนกระทั่งได้เวลากำหนดนะคะโดยท่านมุ่งหน้าไปทางปักใต้ค่ะ บนเส้นทางธุดงกรรมฐานของท่านได้พบเห็นสิ่งลี้ลับตามป่าตามเขาและป่าช้ามามากมายแต่ว่าในเรื่องนี้นะคะจะขอยกเอาเพียงเรื่องเปรตสาวในป่าช้าบ้านปากค่าเพียงเรื่องเดียวมาเล่าให้ฟังจากข้อมูลที่ได้จากหนังสือประวัติของหลวงปู่พรมมาปะภ า, ากโรค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเหลือเชื่อว่าเหตุการณ์ระทึกขวัญเช่นนี้จะเกิดกับพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะแล้วก็มีบุญญาอภินิหารจนเรื่อง ไปทั่่วแผนนดินสยามเปรตที่หลวงปู่พรมมาประพากรโรได้พบเห็นนั้นนะคะเป็นวิญญาณที่ทรมานวนเวียนอยู่ในป่าช้าอันเกิดจากกรรมเก่าและก็กรรมชั่วที่ตนเองได้สร้างไว้ในคราวที่เป็นมนุษย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการคดโกงช่อฉนเบียดบังลักขโมยหรือแม้แต่การสังหารผลานชีวิตของผู้อื่นก็กล้าทาเพียงเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองอยากได้ หลังความตายนะคะจิตก็จะถูกครอบงําด้วยความหิวโหยค่ะจิตมีแต่ความอยากไม่จบไม่สิน้นจิตวิญญาณหลังความตายจึงไปเกิดในภพภูมิของเปรตค่ะเป็นภูมิกําเนิดของผู้ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอมีแต่ความเร้าร้อนทุรนทุรายหิวโหยสูงสุดเกิดจากความทุกข์ทรมานจิตของตัวเองเป็นอย่างยิ่งพวกที่สวยกรรมในภูมิปวง อ, อของเปรตนะคะจึงมีพื้นฐานมาจากความโลภอันหนักหนาเมื่อคราวเป็นมนุษย์ คราวนั้นหลวงปู่พรหมมาก็ได้ทุดงกรรมฐานไปทางปากใต้จนถึงเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและท่านก็ได้ปักกลดเจริญภาวนาอยู่ห่างจากหมู่บ้านเล็กๆนะคะซึ่งมีไม่กี่หลังคาเรือนนั่นคือหมู่บ้านปากข้าค่ะอาชีพของชาวบ้านก็คือทำสวนและก็ทำนาฐานะความเป็นอยู่จึงค่อนข้างจะลำบากแต่ว่าชาวบ้านเขาก็ดารงชีวิตด้วยความสุขตามอัตลักของเขา ที่หลวงปู่พร้อมมาปักกลดนั้นท่านรู้นะคะว่าที่นี่เป็นป่าช้าซึ่งก็หมายถึงเอาศพคนตายมาเผามาฝังนั่นเองที่ท่านเลือกป่าช้าเป็นสถานที่เจริญภาวนาเพราะท่านเห็นว่ามันมีความสงบสงัดเงียบดีไม่มีสิ่งใดมารบกวนในการปฏิบัติธรรมของท่านครั้งแรกนะคะที่ย่างเหยียบไปในบริเวณป่าช้าหลวงปู่ท่านก็รู้สึกได้นะคะเหมือนกับสัมผัส บ, บางสิ่งบางอย่างอันเป็นสิ่งลึกลับ หากว่าเป็นภาษาชาวบ้านก็คืออยู่ๆก็มีความรู้สึกขนลุกขึ้นมาอะไรทํานองนั้นค่ะแต่ว่าพระพูดเจริญด้วยการปฏิบัติธรรมแล้วท่านจะสัมผัสด้วยจิตแบบว่าจิตสัมผัสรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นคือบรรยากาศเงียบสงัดแต่ว่าเป็นความเงียบสงัดที่เยือกเย็นหน้าขนลุกคล้ายกับว่าในอากาศอาอนาบริเวณดังกล่าวนะคะกําลังมีสายตาลึกลับคอยจ้องมองดูความเคลื่อนไหวด้วยความไม่พอใจแม้ความรู้สึกจะเป็นเช่นนั้น ว่าหลวงปู่พร ม, มามีได้ใส่ใจเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าสิ่งที่ท่านต้องทําคือการทําความเพียรด้วยการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเพื่อพิจารณาข้อธรรมที่ยังไม่กระจ่างแจ้งหากจะมีสิ่งอื่นใดเข้ามากระทบขัดขวางก็หามีความสําคัญไม่หลวงปู่พรมมาได้เลือกเอาใต้ร่มไม้ใบหนาต้นหนึ่งด้านเขตชายป่าช้านะคะด้านในเป็นที่แขวนกลดค่ะ การรุกขมูลใต้ร่มไม้เป็นความจําเป็นอีกอย่างหนึ่งเมื่ออยู่ทางภาคใต้เนื่องจากภูมิภาคนี้นะคะก็มีฝนตกตลอดไม่เลือกฤ ด, ดูกาลแล้วก็เวลาการอาศัยร่มไม้อีกชั้นหนึ่งย่อมช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสายฝนที่โปรยปรายลงมาได้พอสมควรเวลานั้นค่ําแล้วนะคะท้องฟ้าหม่นไม่มีแสงแดด ถึงกระนานก็ดีค่ะท่านได้รีบทำความสะอาดสถานที่ใต้ร่มกรดโดยอาศัยกิ่งไม้กวาดใบไม้ที่ร่วงหล่นไปกองไว้ห่างๆพร้อมกับเอาผ้าอับน้ำฝนมาปูแทนอาสนะเป็นที่นั่งเจริญภาวนาพร้อมกับวางอัฐบริขารไว้เป็นที่เรียบร้อยนะคะขณะนั้นเองค่ะหลวงปู่ท่านได้มองเห็นหญิงสาวคนหนึ่งอายุก็อยู่ในวัยกลางคนเดินตรงมายังสถานที่ปักกรด ท่านก็เข้าใจว่าโยมคนดังกล่าวเนี่ยเมื่อเห็นพระธุดงปักหลดในป่าช้าอาจจะเข้ามาสอบถามหรือว่ามีปัญหาทางธรรมจึงต้องการจะมาปรึกษาเพื่อให้รู้กระจ่างแจ้งท่านจึงได้ครองผ้าให้เรียบร้อยแล้วก็นั่งลงในอันที่เหมาะสมนะคะ หญิงสาววัยกลางคนเมื่อเข้ามาใกล้ถึงกรดค่ะเธอได้นั่งซุดตัวลงกับพื้นไม่พูดจาแต่กลับนิ่งเฉยหลวงปู่พรมาก็แปลกใจทำไมเข้ามาแล้วไม่พูดไม่จาอะไรนั่งก้มหน้านิ่งมีความทุกข์ใจอะไรจะมาปรึกษาหรือไม่ก็ไม่บอกให้รู้แล้วแบบนี้หลวงปู่จะรู้ได้อย่างไรหลวงปู่ก็เลยรอให้พูดอยู่ตั้งนานเมื่อเห็นว่าไม่ยอมพูดอะไรท่านจึงเป็นฝ่ายทักขึ้นมาก่อนโยมมาจากไหนหรือนี่จะมืดค่าแล้ว ผู้หญิงคนนั้นก็นิ่งนะคะไม่ยอมพูดยอมจาก็ไม่เงยหน้าขึ้นมาให้หลวงปู่ได้เห็นหน้าอย่างชาัดเจนหลวงปู่ก็เลยถามตอบไปอีกนะคะว่ายมเป็นคนอาศัยอยู่หมู่บ้านแถวนี้หรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นยังคงนั่งนิ่งเงียบอยู่เช่นเคยคะ่ะก็เลยทําให้หลวงปู่เนี่ยท่านก็เริ่มแปลกใจท่านจึงเเพ่งมองให้ชัดเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่เดินมานะคะก็มีอาการซุดตัวลงนั่ง ท่านยังไม่เคยได้มองตรงๆด้วยเห็นว่ามันจะเป็นการไม่เหมาะสมที่ผู้หญิงมหาพระในที่เปี่ยวตามลําพังค่ะเมื่อท่านได้มองตรงๆและก็เพ่งมองให้รู้ว่าอะไรกันแน่หญิงสาววัยกลางคนที่หลวงปู่พรมมาเห็นนั่งอยู่ตรงหน้าเงยหน้าขึ้นมาให้ท่านเห็นอย่างจัดจ้ เธอจ้องหน้าท่านเขม็งประกายตานั้นแข็งกร้าวไม่มีความอ่อนโยนหรือแสดงความศรัทธาต่อพระภิกษุสงฆ์ดังที่ท่านเข้าใจแต่แรกท่าทางไม่ได้มาดีหลวงปู่ก็เลยเกิดเอกใจค่ะคิดว่าผู้หญิงคนที่นั่งจ้องหน้าท่านอยู่นี้ไม่ใช่คนธรรมดาอย่างที่คิดซะแล้วท่านก็เลยกําหนดจิตให้มั่นคงเตรียมพร้อมแล้วก็ยอมรับสภาวะเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้น พร้อมกันนั้นนะคะหลวงปู่พรมมาจ้องมองไปที่สีกาโดยไม่หลบสายตานั่นอีกแล้วหลวงปู่ก็ได้เห็นทาาแพ้ของหญิงสาวคนดังกล่าวได้อย่างถ่องแท้ค่ะในตาของหญิงสาวคู่นั้นมันไม่ได้มีประกายขุ่นเคืองเจิดจ้าลุกวาวเพียงอย่างเดียวผู้หญิงคนนี้ยังคงมีเจตนาเบิ่งกว้างแทบจะถลนออกมานะคะาจากเบ้าตาจนสามารถมองเห็นเส้นเลือดแดงขึ้นบนตาขาวได้อย่างถนัดชัดเจน หลวงปู่ท่านก็รู้ทันทีนะคะด้วยประสบการณ์ที่เคยผ่านมาท่านจึงวางเฉยไม่สนใจต่อสภาวะที่เกิดขึ้นยิ่งหลวงปู่ไม่สนใจในการแสดงอำนาจแห่งความกลัวออกมาให้เห็นเธอก็ยิ่งกริ้วโกรธขึ้นมากอย่างรุนแรงแสดงอาการหน้าเกลียดหน้ากลัวดวงตาสองข้างของผู้หญิงคนนี้ก็ปูดออกเหมือนจะหลุดออกมาห้อยร่องแรงพื้นที่ตาขาวที่มองเห็นเมื่อครู่ได้เปลี่ยนไปเป็นตาสีแดงก่ําเหมือนอาบด้วยเลือดแสดงถึงความโกรธอย่างเต็มที่ค่ะ แน่นอนแล้วนะคะว่าหลวงปู่ไม่ได้เจอกับมนุษย์แต่นี่คือมันไม่ใช่มนุษย์ค่ะด้วยปฏิกิริยาที่มีความมุ่งร้ายหมายจะขับไล่พระสงฆ์ผู้ทรงศรีลออกไปให้พ้นจากเขตป่าช้าโดยเชื่อ ว, ว่าป่าช้าแห่งนี้เป็นสถานที่อยู่อาศัยของเธอหลวงปู่พรมมานะคะท่านก็ไม่ได้หวั่นไหวหวาดกลัวแต่ประการใดค่ะท่านกลับมีความรู้สึกเวทนาสงสารที่เกิดมาในภพภูมิอันแสนทุกข์ทรมานจิตวิญญาณของเธอยังไม่รู้ดีรู้ชั่วอะไรเลย คราวนี้อมนุษย์ตนนั้นนะคะก็ไม่ปิดบังอัตภาพอันแท้จริงของตนอีกต่อไปแล้วเธอได้ส่งเสียงครืดคราดในลำคอแสดงอาการขู่อาฆาตเต็มที่แล้วร่างนั้นก็ลอยจากพื้นดินขึ้นไปอยู่บนต้นไม้อีกต้นหนึ่งซึ่งอยู่สูงขึ้นไปลำต้นใหญ่หลายคนโอบนะคะ มันขึ้นไปยืนอยู่บนกิ่งไม้ขนาดใหญ่แล้วก็เอามือหักกิ่งไม้เล็กอากิ่งเล็กกิ่งใหญ่นะคะมาถือไว้ในมือแล้วก็ยื่นลงมาเรียดดินพร้อมกับยื่นมืออันน่าเกลียดนั้นลงมาที่หลวงปู่ที่ยังคงนั่งสงบนิ่งไม่สนใจยายดีใดๆทั้งสิน้นผู้หญิงคนนี้ก็ได้แสดงฤทธิ์ให้เกิดรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวแต่ว่าท่านเองก็ยังคงเฉยนะคะเนื่องจากท่านรู้สึกสังเวชในภาพที่เห็นอย่าง่าเป็นอย่างยิ่งค่ะ หลวงปู่พรมมาได้กำหนดจิตเพ่งไปที่อมนุษย์ตนนั้นท่านก็เลยได้ทราบนะคะว่าเป็นเปรตอสุรกายตนหนึ่งที่สิงสถิตยอยู่ในป่าช้าแห่งนี้มานานแล้วตอนที่เป็นมนุษย์เธอผู้นี้ได้คิดอคติกับพระสงฆ์องค์เนนมาโดยตลอดโดยคิดว่าพระสงฆ์องค์เนรที่บวชอยู่ในวัด วันวันการงานไม่ทำอาศัยขอคนอื่นเขากินแล้วก็ขอคนอื่นเข้าใช้ท่าเดียวนะคะแล้วเรื่องอะไรที่เธอจะต้องใส่บาตรข้าวปลาอาหารมาด้วยความที่หามาด้วยความยากลำบากเข้าวัดเข้าไปทำไมก็ไม่ได้อะไรติดมือออกมาจากวัดบ้างเธอก็เลยไม่เคยเข้าวัดทำบุญแล้วก็ไม่เคยทำทานในทุกกรณีค่ะเนื่องจากความคิดอกุศลก่อนแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเธอก็เป็นคนตรณีห่วงแหนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของตน เพราะเธอคิดเช่นนี้นะคะแล้วก็ประพฤติตนเช่นนี้มาชั่วชีวิตเมื่อตายไปจึงต้องมาเป็นเปรตความกริ้วโกรธอันเป็นสันดานได้ผุดขึ้นมาอย่างรุนแรงคราวนี้หัวของเธอห้อยลงมาอยู่กลางหน้าอกนะคะดวงตาเหลือกถลนลอกแลกไปลอกแลกมา ลิ้นนั้นยาวแล้วก็มีเลือดหนองไหลออกมาอย่างน่าขยะแขยงหลวงปู่ก็เฉยมันก็เลยกรีดร้องเสียงดังโหยหวนไปทั้งป่าช้าเป็นการบีบคั้นและรบกวนการเจริญภาวนาของหลวงปู่พรมมายิ่งมันแสดงความน่าเกลียดมากขึ้นเท่าใดท่านก็ยิ่งสังเวชสงสารในความโง่เขลาของมัน ต่อมานะคะท่านก็เลยหลับตากำหนดจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในพรหมวิหารแล้วก็แผ่เมตตาออกแบบแบบไม่มีประมาณด้วยหวังว่ากระแสะที่ชุ่มเย็นแห่งบารมีธรรมคงจะช่วยบรรเทาความเร่าร้อนอันเนื่องมาจากวิบากกรรมให้ผ่อนคลายลงไปบ้าง นานและก็นานพอสมควรค่ะหลังจากที่หลวงปู่ท่านแผ่เมตตาไปแล้วท่านก็เลยลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าเปรตสาววัยกลางคนได้หายไปแล้วสภาพความตึงเครียดก็ได้เข้าสู่สภาวะปกตินะคะคุณผู้ฟังคขาเรียกว่านี่เป็นประสบการณ์ในการออกเที่ยวทุดงกรรมฐานของหลวงปู่พรมมาในครั้งหนึ่งและในหลายครั้งที่ท่านได้พบเห็นมากับตาจริงๆค่ะ มีเรื่องน่ากลัวอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของอหลวงพ่อชฉานะคะชาคราตธรรมโมซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ดุลอตุโลนะคะพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบนเส้นทางธรรมอีกท่านหนึ่งค่ะหลวงพ่อชฉาท่านมีพื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ประวัติของท่านหลังจากออกบวชแล้วโดยสรุปง่ายๆดังนี้นะคะ หลังจากที่ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในระยะเวลาหนึ่งท่านก็ทรงเห็นนะคะว่าบรรดาพระสงฆ์และก็สั ม, มเนรภายในวัดมีความประพฤติย่อหย่อนต่อพระธรรมวินยัยท่านมีความรู้สึกสังเวชในฐานะพระสงฆ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นพุทธสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงคิดหาสำนักปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องตามแนวทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงกำหนดไว้ให้ยึดถือปฏิบัติกันสืบไปจนกระทั่งต่อมาวันหนึ่งค่ะท่านได้ เจอกันกับพระธุดงนะคะที่มาปักกลดเจริญภาวนาหลวงพ่อชอก็ได้สังเกตเห็นปฏิปทาแล้วก็วัดปฏิบัติของพระธุดงกรรมฐานรูปนั้นงดงามนักนะคะก็เลยเกิดความเลื่อมใสเป็นอย่างมากท่านจึงคิดหานะคะว่ า, าถ้าอาศัยจำพรรษาอยู่ในวัด แห่งนี้ก็คงจะเห็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยงามอยู่ในวัดเช่นนี้ก็ยากที่จะหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเมื่อท่านคิดได้ดังนั้นค่ะท่านก็เลยได้ย้ายไปอยู่ที่วัดเขาสวายซึ่งเป็นที่สัปปายะในการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งนะคะนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ท่านก็ได้ถือการออกเที่ยวทุดงกรรมฐานตามป่าแล้วก็ตามเขาอย่างจริงจังและเที่ยวทุดงเป็นวัดมุ่งมั่นฝึกฝนอบรมจิตให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะเป็นลําดับค่ะจนกระทั่งการเวลาได้ล่วงเลยมาหลายเวลาหลายปีนะคะท่านก็ได้มาจําพรรษาอยู่ที่สํานักสงฆ์ป่าแสนงามตําบลแสนตุง้งอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะคะที่สํานักสงฆ์แห่งนี้บรรยากาศก็จะสงบสงัด เพราะว่าพระสงฆ์ที่จำพรรษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่นี่ล้วนเคร่งในพระธรรมวิไนยและถือการปฏิบัติธรรมเป็นที่สุดนะคะหลวงพ่อชาวท่านเองก็ได้กรุณาเทศให้บรรดาญาติโยมของท่านฟังในเรื่องของพูดผีวิญญาณที่ท่านได้ประสบพบเจอมาด้วยตัวของท่านเองว่าครั้งหนึ่งในการเที่ยวทุดงกรรมฐานในสถานที่ต่างๆเพื่อสแสวงหาความเงียบสงัดเจริญภาวนาเพื่อการหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารอันเป็นปรารถนาสูงสุดของพระผู้ปฏิบัติทั้งหลาย แต่ว่าการจะก้าวไปถึงโลกของโมกขธรรมนั้นมันยากยิ่งนักค่ะเพราะว่ากิเลสมารร้ายเป็นตัวปกป้องขวางทางธรรมะทุกอย่างครั้งนั้นมันก็จะเป็นเพราะความบังเอิญหรืออย่างไรขณะที่ท่านพักอยู่ในวัดนะคะในกุฏิหลังเล็กๆพอกลางมุ้งกรด ก็ได้มีชายหนุ่มวัยชะกันคนหนึ่งได้นำศพภรรยาสาวตายทั้งกลมมาฝากไว้เพื่อรอให้ญาติพี่น้องที่เดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีเดินทางมาถึงก่อนแล้วก็ค่อยทำพิธีเผาตามประเพณี หลวงพ่อท่านได้เห็นก็เป็นที่สงสยัยก็เลยได้เอ่ยถามเกี่ยวกับการตายของผู้ที่เป็นภรรยาของชายหนุ่มนะคะที่ต้องตกเป็นม่ายตั้งแต่อายุยังน้อยก็เลยได้เล่าให้หลวงพ่อฟังถึงเรื่องราวโดยตลอดว่าก่อนที่ภรรยาจะตัดสินใจผิดๆ ด, ดื่มยาพิษฆ่าตัวตายนั้นก็ได้เกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงจนมีการท้าทายกันขึ้นทาให้ผู้ที่เป็นภรรยานี่เกิดน้อยอกน้อยใจยจนไม่อยากจะอยู่มองหน้าใคร ถือว่าเป็นคราวซวยของผมครับหลวงพ่อเพราะผมไปท้าทายเขาผมก็คิดไม่ถึงว่าเขาจะน้อยใจยถึงขนาดตัดสินใจคว้า ย, ยาพิษมากรอกปากตนเองต่อหน้าต่อตาผมกระโดดเข้าปัดขวดยากระเด็นออกไปแต่เธอได้กินเข้าไปแล้วริยานี้มันร้ายแรงไม่นานนักเธอก็ล้มทั้งยืนนอนชักดิ้นชักงอนน้ำลายฟูมปากลงไปกองอยู่กับพื้น ผมเห็นท่าไม่ดีจึงนำเธอขึ้นรถกระบะพาไปโรงพยาบาลแต่พอผมขับรถวิ่งไปถึงอำเภอห้วยสะท้อนภรรยาของผมก็ไม่อาจจะทนความเจ็บปวดแสนทรมานนั้นได้ในที่สุดก็สิ้นใจตา ย, ตายลงกลางทางผมไม่รู้จะทำอย่างไรจิตใจของผมมันวุ่นวายสับสนและงงไปหมดแล้วทำอะไรไม่ถูกจึงได้ตัดสินใจนำศพภรรยามาฝากไว้ที่นี่ก่อนครับหลวงพ่อเพื่อรอญาติญาติที่จะมาจากจังหวัดปทุมธานี ถ้าญาติมาถึงแล้วก็จะทำพิธีเผาแต่ถ้าหากว่าผมจะเผาก่อนที่ญาติจะมาก็จะไม่ดีเดี๋ยวผิดใจกันเปล่าๆหลวงพ่อเชาได้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะแต่ก็ท่านได้แต่เกิดความสลดสังเวชใจท้องอยู่แท้ๆไม่น่าจะขิดสั้นด้วยอารมณ์ชั่ววูบก็เลยขาดสติขาดความยั้งคิด คนเรานั้นกว่าจะเกิดมาเป็นคนได้ไม่ใช่ของง่ายต้องทําบุญสร้างกุศลกี่พบกี่ชาติเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ถือว่าได้เกิดเป็นสัตว์ประเสริฐแล้วการฆ่าตัวตายมันเป็นบาปหนักต้องชดใช้กรรมในโลกของวิญญาณอย่างไม่มีกําหนดการตายแบบนี้เรียกว่าตายก่อนกําหนดวิญญาณจึงเร่ร่อนเวียนหาที่เกิดใหม่ไม่ได้จะมีความดุร้ายเนื่องจากก่อนจะขาดใจตายจิตวิญญาณได้พกเอาความแค้นนั้นออกจากร่างกายไปด้วย ดังนั้นการปรากฏตัวจะแตกต่างไปจากวิญญาณของคนตายธรรมดาวิญญาณของคนตายธรรมดานะคะก็คือคนที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วก็ล้มหายตายจากไปเมื่อถึงอายุขยอันสมควรแก่การเวลาวิญญาณคนตายธรรมดาแบบนี้พวกเขาจะมาปรากฏตัวเป็นกายอยากให้เห็นอาจจะเป็นเพื่อการถามทางไปบ้านญาติหรือไม่ก็อาจจะทักทายในฐานะคนรู้จักกัน แต่ถ้าวิญญาณที่ตายเพราะว่าความแค้นพวกเขาจะปรากฏตัวในรูปแบบต่างๆอาธิเข้าสิงคนที่จิตอ่อนร่างกายอ่อนแอเพื่อแสดงฤทธิ์อำนาจของตนเองขอเอาชีวิตคนที่มันสิงไปอยู่ด้วยเล่นเอาพวกญาติพี่น้องเนี่ยขอชีวิตกันให้วุ่นวายไปหมดเมื่อไม่ได้ชีวิตมันจะขอกินโน่นกินนี่หรือขอนู่นขอนี่วิญญาณชนิดนี้เมื่อเจอกับหมอผีก็จะไม่ยอมง่ายๆตรงสู้สุดฤทธิ์ชนิดว่าใครดีใครอยู่ค่ะ ถ้าปรากฏตัวก็จะแสดงตนให้เห็นแบบน่าเกลียดน่ากลัวในกายหยาบเป็นการหลอกหลอนให้กลัวเพื่อระบายความแค้นโดยไม่เลือกนะคะว่าจะเป็นใครเนื่องจากความแค้นเป็นไฟเผาลนจิตวิญญาณ น, นั้นอยู่ตลอดเวลา หลวงพ่อชาวเห็นชายหนุ่มผู้สูญเสียภรรยาสุดที่รักขณะนั้นที่ตั้งท้องนะคะหลายเดือนจนใกล้คลอดแต่ว่าเพราะความคิดสั้นด้วยอารมณ์ชั่วพริบตาเดียวซึ่งอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจหมดอาลัยตายอยากในชีวิตซึ่งก็เป็นธรรมดานะคะของการพลัดพรากจากกันอย่างไม่มีวันกลับ แล้วก็หลวงปู่ค่ะท่านก็เลยได้ยกข้อธรรมที่เหมาะสมขึ้นมาเทศให้สติแล้วก็นำไปพิจารณาว่าการตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกแต่จะตายแบบไหนตายเร็วตายช้าขึ้นอยู่กับกรรมเป็นตัวกำหนดอันคนเรานั้นเมื่อถึงเวลาตายก็ไม่มีอะไรจะมายับยั้งได้ให้คิดเสีย ว, ว่าเขามีเวลาอยู่กับเราเพียงเท่านี้หลังจากตั้งศพไว้บนศาาเรียบร้อยค่ะแล้วก็รับการเทศปโปรดของหลวงพ่อพอสมควรชายหนุ่มผู้นั้น ก็กราบลาหลวงพ่อกลับไปเพื่อเตรียมงานศพตามประเพณีนะคะพอตกเย็นบรรดาญาติแล้วก็เพื่อนๆในหมู่บ้านต่างๆก็มาฟังพระสวดพระอภิธรรมตามประเพณีนิยมที่ปฏิบัติกันมาของชาวพุทธทั้งหลายในโลกพอมาถึงวันที่สองศพที่ไม่ได้ฉีดยากันเน่าก็เริ่มขึ้นอืดค่ะน้ำเหลืองไหลย้อยลงจากลงศพส่งกลิ่นเหม็นเน่าไปทั่วศาาตั้งแต่ตอนเช้า แต่ว่าญาติจากทางปทุมธานีก็ยังเดินทางมาไม่ถึงค่ะบรรดาพระสงฆ์และก็สามเณรต่างก็ต้องอดทนสูดกลิ่นเหม็นเน่าอย่างทรมานใจไปทั้งวันกระทั่งวันที่3พวกญาติที่เดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีก็เดินทางมาถึงและได้จัดการเผาศพตามประเพณีเมื่อจัดการเผาศพหญิงท้องแก่ที่กินยาตายประชดสามีเป็นที่เรียบร้อยแล้วบรรดาญาติพี่น้องก็พากันกลับบ้านที่จังหวัดปทุมธานีกันหมด สำนักปฏิบัติธรรมก็เงียบแล้วก็วังเวงนะคะอันเป็นสภาพปกติธรรมชาติที่เคยเป็นมากระทั่งรุ่งเช้าของวันใหม่ชายหนุ่มก็ที่ตกพุ่มไม้นะคะอายุยังน้อยได้ไปเก็บกระดูกขาเพื่อนําไปลอยอังคารให้เป็นอาหารของปูปลาต่อไปเมื่อทุกอย่างได้ผ่านพ้นไปแล้วสภาพของสำนักสงฆ์ก็ดําเนินตามปกติ บนเส้นทางของพระปฏิบัตินั่นคือการทำความเพียรเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงหลวงพ่อชาก็เช่นเดียวกันค่ะท่านมองการจากไปหรือว่าการตายเป็นเรื่องธรรมดาอนอันเป็นวั ต, ตสงสารหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่รู้จบสิ้นมีเกิดมีแก่มีเจ็บแล้วก็มีตายดังนั้นสิ่งที่มุ่งหวังของท่านเวลานั้นก็คือไม่อยากจะตกอยู่ในวัฏตตสงสารนี้อีกต่อไป หลวงพ่อชาวได้ทําความเพียรด้วยการเดินจงกรมตั้งแต่หัวค่าจนกระทั่งเวลาได้ผ่านไปถึงสามทุ่มโดยประมาณท่านเห็นว่าได้เวลาเข้ากุฏิซึ่งมีลักษณะเป็นขนําเล็กๆะนะคะซึ่งท่านก็ได้กางมุ้งกรดไว้กันยุงกันเหลือบริ้นเพราะว่าพวกแล้วก็พวกมแมลงที่จะเข้าไปรบกวนท่านเวลานั่งเจริญสมาธิหลวงพ่อชาวท่านถือปฏิบัติเช่นนี้มาโดยตลอดค่ะคืนนี้ก็เช่นกันท่านได้เข้าไปในมุ้งกรดแล้วก็จเจริญภาวนาต่อไปอีก เป็นเวลานานพอสมควรเห็นได้ว่าเวลาพอสมควรแล้วนะคะหลวงพ่อชาาก็ถอดจิตตัวเองจากสมาธิแล้วก็เอนกายลงไปนอนเพื่อพักผ่อนโดยลืมสวดมนต์แผ่เมตตาไปให้ดวงวิญญาณต่างๆดังที่เคยปฏิบัติมาขณะที่ท่านกำลังเคลิ้มหลับท่านก็มีความรู้สึกเหมือนมีผู้หญิงมานอนอยู่ข้างๆนะคะที่หลวงพ่อชารู้สึกเช่นนั้นก็เพราะว่าท่านนอนเอาแขนกายหน้าผากตรงข้อศอก แล้วก็รู้สึกสัมผัสกับเส้นผมที่ยาวสยายของผู้หญิงก็เลยเอามือลดลงมาไปสัมผัสกับสีสันเล็กๆของเด็กทารกเมื่อเอามือคลําดูปรากฏว่าแตะต้องเส้นผมอ่อนนิ่มบางๆหลวงพ่อชาท่านมีความแปลกใจที่มีผู้หญิงแล้วก็เด็กมานอนอยู่ในมุ้งกรดด้วยท่านจึงลืมตาขึ้นมาแล้วก็หันไปมองดูก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของผู้หญิงคนนึงมานอนอยู่ข้างๆด้วยจริงๆ แต่ว่าท่านมองเห็นหน้าไม่ถนัดเพราะว่าเวลานั้นมันมืดแล้วแล้วก็ยังมีเด็กทารกนอนขั้นตรงกลางแต่ว่านอนต่ำลงไปนะคะแล้วท่านก็คิดขึ้นมาได้ว่าเพิ่งเผาศพผู้หญิงตายทั้งกลมไปเมื่อวานเมื่อคิดได้เช่นนี้ท่านก็ลืมตัวเกิดโทสะที่ถูกร่วงเกินท่านจึงลุกขึ้นเตะโครมเข้าไปค่ะแต่ว่าปรากฏว่าไม่โดนอะไรเลยและผู้หญิงคนนั้นกับลูกก็พากันหายไปนะคะท่านจึงออกจากมุ้งกรดแล้วก็ลงไปที่ทางเดินจงกรมด้านหน้ากุฏิขนม เดินจงกรมอีกครั้งเพื่อให้จิตสงบโดยท่านกำหนดสติให้อยู่กับอริยาบทการเคลื่อนไหวไม่แส่สายออกไปสนใจแล้วก็รับรู้เรื่องราวภายนอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปถึงเที่ยงคืนค่ะท่านเห็นว่า ได้เวลาอันพอเหมาะพอควรแล้วละ่ะจึงเดินกลับเข้ากุฏิซึ่งเป็นขนมนะคะแล้วก็เข้ามุ้งกรดเพื่อพักผ่อนด้วยการจำวัดพอท่านเองตัวลงนอนไม่นานเท่าไหร่ค่ะดวงตาสองข้างที่กำลังจะปิดสนิทฉับพลันทันใดท่านเองก็เห็นร่างของแม่ชีในชุดขาวเดินตรงมายังกุฏิขนมของท่านที่ไม่มีฝาปิดเพราะว่าเปิดโล่งทุกด้านนะคะจึงมองเห็นโดยรอบ แม่ชีที่เดินตรงมานั้นดูสํารวมเรียบร้อยหลวงพ่อชาวรู้สึกแปลกใจเอ๊ะทําไมมีแม่ชีมาเดินเพ่นพ่านกลางดึกดื่นเช่นนี้ท่านก็พยายามสังเกตเพื่อให้รู้นะคะว่าแม่ชีคนนี้คือใครแต่ก็นึกไม่ออกเพราะว่าส่วนใบหน้านั้นเป็นเพียงเงาดําๆเท่านั้นพอเดินเข้ามาถึงกุฏิขนธ์แล้วก็ขึ้นไปนั่งคุกเข่าอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ยกพื้นสูงขึ้นซึ่งเป็นที่นั่งพักผ่อนของหลวงพ่อตอนแรก ท่านก็คิดว่าแม่ชีเนี่ยมีามาแสดงกิริยาทำความเคารพแต่ที่ไหนได้ค่ะคุณผู้ฟังแม่ชีได้กลับยกชายมุ้งกรดทำท่าจะมุดเข้าไปนอนในมุ้งด้วยหลวงพ่อก็เลยเกิดโมโหขึ้นมานะคะพร้อมกับตะโกนเสียงดังลั่นนะคะบอกว่าแม่ชีจะเข้ามานอนกับพระได้อย่างไรออกไปเดี๋ยวนี้ คำขู่ห้ามของหลวงพ่อชาวไม่เป็นผลค่ะแม่ชียังทําท่าจะเข้าไปนอนกับท่านให้ได้ก็เลยเกิดโทสะถีบเข้าไปอีกรอบหนึ่งค่ะร่างของแมชีก็หายวับไปพร้อมกับมีเสียงหอนของสุนัขที่มาหากินแถวนั้นแล้วก็ห่างออกไปเรื่อยๆหลวงพ่อชาวลุกขึ้นมาอีกท่านก็มีความแปลกใจแล้วก็สงสัยว่าทําไมคืนนี้มันถึงเกิดเหตุการณ์อะไรบ้าๆเช่นนี้ขึ้นและมันคืออะไรกันแน่พวกผีผู้หญิงจึงมารังควานท่านไม่ยอมหยุดเช่นนี้ ซึ่งก็ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนนะคะครั้งแรกก็เป็นวิญญาณผีไม่ลูกอ่อนแล้วก็มาเป็นผีแม่ชีคือหลวงพ่อท่านก็ไม่เข้าใจว่าผีเหล่านี้มันพากันมาทําไมเยอะแยะมันมาเพื่ออะไรกันแน่แม้ว่าสถานที่ตั้งสํานักสงฆ์แห่งนี้จะเคยเป็นป่าช้าที่ร้างมานานแล้วเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านนําศพคนตายมาฝังแล้วก็เผาหลายชั่วอายุคนแต่ยังไม่เคยเห็นผีตนใดหรือว่ามีผีตนใดามาทําความวุ่นวายกับพระเนนให้ตก อ, อกตกใจ แต่ว่าคืนนี้พวกวิญญาณกลับถือเป็นเรื่องสนุกหรือเกิดบ้าราคะตันหาขึ้นมาจึงไปรบกวนหลวงพ่อชาวถึงในมุ้งกรดเพื่อต้องการรบกวนให้ท่านมีจิตวันไหวท่านนั่งพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งค่ะก็เลยคิดขึ้นได้จึงออกจากกรดแล้วก็เดินจงกรมต่อไปพร้อมกับตัดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทิ้งไปไม่นามาใส่ใจเพ่งอยู่ที่กิจของท่านเพียงอย่างเดียวจนเวลาล่วงเลยไปถึงตีสม คุณผู้ฟังคะช่วงเวลาตีสามโบราณกล่าวนะคะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่พวกผีพวกวิญญาณกําลังเพ่นพ่านคนฝันเวลานี้จะเป็นฝันที่แม่นยํามากเพราะว่าจิตใจกําลังนิ่งค่ะแต่สําหรับหลวงพ่อเฉาขณะนั้นกําลังรู้สึกอ่อนเพลียเนื่องจากเดินจงกรมไม่ได้หยุดและเดินมาตั้งแต่หัวค่ํามไม่ได้เว้นพักผ่อนนอนหลับเอาซะเลยท่านจึงหยุดเดินจงกรมกลับเข้ากุฏิขนมอีกครั้ง พอจะเคลิ้มหลับค่ะฝูงสุนัข ก, ก็พากันเห่าหอนเป็นกลุ่มๆหลวงพ่อชาวท่านได้มองผ่านมุ้งกรดของท่านออกมาท่านก็เห็นร่างร่างหนึ่งกําลังเดินตรงมาที่กุฏิขนําของท่านคราวนี้ก็เลยรู้เลยนะฮะว่าใครเดินมาคนที่เดินมาตรงนี้เนี่ยคือวิญ ญ, ญาณแน่ๆเพราะว่าเท้าเนี่ยลอยอยู่เหนือพื้นดินจากรูปร่างลักษณะของผีใหม่ตนนี้นะคะเป็นวิ ญ, ญญาณผีสาววัยรุ่นค่ะแต่งกายแบบชาวเขาทางภาคเหนือ ท่านเห็นหน้าได้ชัดพอประมาณท่านก็เชื่อว่าเป็นสาวชาวเขาที่มีความสวยอีกคนหนึ่งหลวงพ่ออดสงสัยไม่ได้ว่าในป่าช้านี้มีศพของชาวเขามาฝังด้วยหรือไม่เนื่องจากคนตายที่นํามาฝังในป่าช้านี้ส่วนมากจะเป็นคนตายที่มีแรงกรร ม, มตัดรอนตายก่อนหมดอายุจิตวิญญาณจึงวนเวียนอยู่หนสถานที่ตายหรือที่ฝังศพของตนจนกว่าจะถึงวาระไปผุดไปเกิดในกําเนิดใหม่ต่อไปตามกรรมลิขิตค่ะ ที่วิญญาณของสาวชาวเขามาปรากฏตัวให้เห็นนะคะก็น่าจะหมายถึงวิญญาณที่ยังหลงวนเวียนอยู่สถานที่เดิมนั่นก็คือป่าช้าที่หลวงพ่อชาวได้ใช้เป็นที่ปฏิบัติสมณธรรมพีสาวดังกล่าวหาได้ปรากฏกายเพียงวูบวาบแล้วก็หายไปนะคะหากแต่ว่ายังตรงดิ่งมายังขนาน้อยที่พักของหลวงพ่อซึ่งตอนนั้นท่านกาลังมองความเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆพอมาถึงแคร่ไม้ที่ท่านอยู่ในมุ้งโกรดค่ะ มันก็เปิดมุ้งกลดของท่านทำท่าจะมุดเข้าหลวงพ่อเช่าในขณะนั้นท่านไม่มีทางที่จะหลบหนีไปทางใดได้แล้วเหมือนกำลังจนตรอกขืนปล่อยให้ผีสาวตนนี้เข้ามาในมุ้งกลดได้เท่ากับเป็นการเสี่ยงต่ออาบัต ท่านตั้งสติได้ก็เลยยกเท้าถีบโครมออกไปทันทีอย่างเต็มสุดที่แรงมีนะคะจนเชือกมุ้งกลดขาดผึงทั้งมุง้งทั้งกลดร่วงลงมาครอบหลวงพ่อชาวท่านก็ยิ่งตกใจเพราะกลัวผีสาวชาวขาวเนี่ยมันจะถือโอกาสเข้ามากอดปล้ำกระทําไม่ดีกับท่านจึงพยายามดึงมุ้งออกจากตัวเป็นพันละวันค่ะ แต่ว่ายิ่งดึงมุ้งก็ยิ่งพันตัวแต่กว่ามุ้งจะหลุดออกไปเล่นเอาใจหายใจคว่ำนะคะโชคดีที่ผีสาวชาวเขาไม่ได้ทำอะไรกับท่านมันได้หายไปก่อนหน้านั้นในคืนอันวุ่นวายสับสนหลวงพ่อเฉ า, าก็ได้พิจารณาถึงสาเหตุที่ผีเหล่านี้แล้วก็วิญญาณทั้งหลายเหมือนนัดกันมารบกวนท่านไม่หยุดหย่อนนึกอย่างไรท่านก็นึกไม่ออกว่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรท่านได้ทบทวนไปมาอย่างละเอียดจึงฉุก ค, คิดขึ้นมาได้นะคะว่า ก่อนจะนอนพักผ่อนนั้นท่านไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระแผ่กุศลไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเช่นทุกคืนที่เคยปฏิบัติมา อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้นะคะพวกวิญญาณต่างๆจึงมาปรากฏกายหยาบมารบกวนในลักษณะลวนลามเมื่อคิดเช่นนี้ท่านจึงลุกขึ้นไปผูกกรดและมุ้งกรดใหม่ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้าไปนั่งต่อหน้าพระบูชาซึ่งอยู่บนหัวนอนจากนั้นท่านก็ได้ตั้งสมาธิสํารวมจิตแน่วแน่น้อมไปถึงพระรัตนตรัยทั้ง3าคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วสวดมนต์ดังที่เคยปฏิบัติมาจากนั้นก็แผ่เมตตาไปอย่างไม่มีประมาณแล้วท่านก็เข้าจำวัดในมุ้งกรดเจริณ ภาวนาไปเรื่อยๆกระทั่งหลับสนิทโดยที่ไม่มีผีสาวตนใดมารบกวนท่านอีกเลยค่ะคุณผู้ฟังคะพวกวิญญาณที่เต็มไปด้วยกิเลสจะมีอยู่ทุกขนแห่งในแผ่นดินไม่เฉพาะที่ป่าช้าเท่านั้น บริเวณบ้านของคุณก็มีแต่ว่าจะเป็นดวงวิญญาณชนิดใดเท่านั้นเองเนื่องจากวิญญาณที่มีอยู่หลายชนิดมีกรรมติดตัวมาคนละแบบที่สร้างกรรมดีก็มีเป็นผีดีมีเมตตาคอยช่วยเหลือผู้คนแต่ที่สร้างกรรมชั่วก่อนตายก็จะกลายเป็นผีดุร้ายคอยแต่จะทําลายขวัญผู้อื่นให้กลัวในฤทธิ์อํานาจที่แสดงออกในลักษณะน่าเกลียดหน้ากลัวคิดแล้วในสังคมของผีแล้วก็วิญญาณก็ไม่ได้แตกต่างไปจากสังคมคนเป็นอย่างเราหรอกนะคะ คือจะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเพียงแต่อยู่กันคนละพบเท่านั้นเองค่ะ